เราก็มาปฏิบัติธรรมกันเนาะก็คิดว่าหลายท่านก็คงเคยฝึกปฏิบัติกันบ้างแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ํำนาญ น, นะแล้วก็สองตำนันนี้เราก็เป็นโอกาสดีให้เราได้ฝึกฝนตัวเราเองเนาะให้มีธรรมะมากขึ้นธรรมะก็คืออะไรธรรมะก็ ปเปลียงนง่ายก็เหมือนกับแสงสาว่าง น, นะของชีวิตนะถ้าเราไม่มีแสงสาว่างของชีวิตเนะี่ยชีวิตเราก็มืดนะมืดหมดเหมือนกับเวลากลางคืนถ้าเราไม่มีไฟใช้ไม่มีไฟแสงสาว่างตามขั้นทา ง, ทา ง, ทางหรือไม่ใช่คือาการเดินเคงยะเราเดินไปที่ไหนก็อาจจะมีอันตรายได้เยอะนะเพราะว่าเรามองไม่เห็น คนที่ไม่มีธรรมะก็ประมาณนั้นนะก็คือมันเหมือนสว่างนะแต่สว่างไปทางที่ไปทางติดวงของกิเลสนะอืทางที่ล่อไปทางกิเลสนะมันมันจะแต่มันไม่ใช่ไปทางที่ไปสู่ความหลุดพ้นหลุดพางปล่อยวางบางทีมันมีพาสินั้นมันไป้ายว่ามันเหมือนทางทางที่มันเตียนเนะ่ยมันเวียนวนเนี่ย แต่ทางที่มันโรคเนี่ยมันนำไปสู่ความหมุนพลทางเตียนก็คือทางที่คนส่วนใหญ่เขาเดินกันมันเตียนมันเดินมันเดิน ส, บ, นนส บ, บายมันโรคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็เดินกันนะั้นะ mm hmm. คนส่วนใหญ่เ้าก็เสพการามก็คื อ, อยังชอบในนะเรื่องรูปเสียงกลิ่นนะรสโภชนาธรรมารุงต่างๆ ก็ชอบกันแบบนั้นชอบชื่อเสียงเฉยยศชอบเงินทองชอบนะความรักความ ป, ามปกพันนะอันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบกันแบบนั้นนะก็คือทางที่โลภส่วนใหญ่เขาเดินกันนะมันเดินเป็นทางที่เตียนทึมหมดเลยนะมันโลภแต่ถ้าทางที่มันดูรกหน่อยทางที่มันดูยากหน่อยนะมันเป็นทางที่จะทําให้เราขอจากความทุกข์ซึ่ง มันก็มีความลำบากบ้างเพราะอะไรเพราะมันฝืนฝืนความเคยชินนะฝืนสิ่งต่างๆที่ทางโลกเขาเขาคิดว่าดีกว่าเหนะมือนเรามาภาวนามาปฏิบัติธรรมบางทีหลายๆคนก็จะค่อนขอดหรือว่าก็น่าจะแหน่วามาทำไมเนาะมาทำให้ตัวเองทุกทำไมนะหรือว่าทำแล้วมันได้อะไรนะ เีเวลาไม่เลยนะมันก็จะมีคนที่คอยคอยติดชิ้นนินทาบ้าง น, นะหรือบางทีเขาก็ไม่ตั้งใจ ต, ติดชิ้นินทาหระแต่เขาก็คิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะมันไม่ค่อยเกิดสาระเท่าไหร่ตูเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านั่นคือคนส่วใหญ่บางทีเขาก็ทําเช่นนั้นแต่เราก็หลายท่านก็คงแน่ใจเแล้วนะว่าทางเนี่ย มันเป็นทางที่ดีกว่าทางที่คนส่วนใหญ่ก็เดินนะเ พ, พราะว่าเพราะอะไรเพราะคิดว่าหลายคนก็เดินมาทางนั้นหลายสิปีแล้วไม่ใช่เีแค่ชีิตนี้แับที่จริงนะเราเดินมาทางนั้นไม่รู้กี่กี่พวกกี่ชาติล้วะทางที่เกี่ยวข้องด้วยนถ้าพูดง่ายๆก็คือเรียกว่าการการมุขคุณะการมุขคุณก็คือความพอใจความไม่พอใจใน ในทางรูปเสียงก ล, ลิ่นรสรสภูมาคุ้มกันก็คือตามรูจมูกทิ้งกายใจแหละนะมันเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบนะเราก็ยึดจิแล้วก็เสกมันบ่อยๆนะั่นคือสิ่งที่เราเคยกินกรนมานานนะแต่พอเรามาภาวนาละมันเป็นการละนะละความพอใจละความไม่พอใจในสิ่งต่างๆนะมันก็เลยเป็นทางที่ลำบากหน่อยมันเราเคยติด อะไรมามากๆจะให้รักทันทีเนะี่ยมันก็เลยดูไม่ง่ายนะอืไปเรามาฝึกปฏิบัติเนะี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะอะไเราเคยชินที่จะชอบดูเคยชินที่จะชอบฟังที่สาคัญคือเคยชินที่จะยอบชอบความคิดนะชอบความสะดวกชอบความสบายชอบความสุขอันนี้ซึ่มันเป็นความเคยชินนะ เราจะมาฝือมันยังไงการฝืนะนี่นไม่ใช่ว่าจะต้องทำตัวเองให้ํำบากนะหรือว่าจะต้องไม่ดูอะไรเลยหรือไม่ไม่ต้องฟังอะไรเลยไม่ใช่ว่าไม่ต้องทาอะไรนะแต่เมื่อเห็นนะจักแต่ว่าเห็นได้ไหมนะหรือว่าเมื่อเกิดความพอใจในสิ่งที่เห็นเรารู้ทันแล้วก็ไม่ไปยึดความพอใจ น, นั้นได้หรือเปล่า หรือเมื่อเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ชอบลูกนี้มันไม่สวยไม่อยากดูนะเราสามารถบางมันได้ไหมอันนี้คืเราก็เกี่ยวข้องเราก็ยังเห็นติ่งที่ตามองเห็นอยู่แต่เมื่อเกิดความพอใจก็ดีเกิดความไม่พอใจก็ดีเรามีสติคอยรู้ทันนะรู้ทันแล้วก็ไม่ไปปรุงต่อเพราะว่าปัญหาเส่ญ่กคือว่าพอเราไม่รู้ทัน สิ่งที่กระทบนะมันก็เลยเกิดความกระเทือนนะเกิดความกระเทือนคืออะไรก็คือความพอใจความไม่พอใจมันจะเกิดข้างในนะนมันมันเกิดเือนที่ข้างในเมื่อเกิดเกิดที่ข้างในแล้วมันก็คือมันบัชไหวนะบวชไหวไปชอบไปชังไปสุขไปทุกข์เมื่อบัชไหวมันก็เลยเกิดความปรุงแต่งนะปรุงแต่งถ้าชอบ ก็มันต้องมีเหมือนแรงผักเนาะให้เราต้องเอาให้ได้ใช่ไหมบางอย่างเนี่ยเหมือนเรายังไม่ได้มาแต่เราชอบแล้วเราก็ต้อเอาให้ได้นะอเรายังไม่มีอะไรสักอย่างแต่เราอยากจะได้มนะันเราก็มันต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันไม่พอมันไม่มีความสุขอืหรือบางอย่างมันเกิดความไม่พอใจเราก็อยากจะเอามออกไปให่ได้นะไม่ชอบเลยสิ่งนี้ อารมณ์นี้อต้องเรามันออกต้องกำจัดมันทิ้งต้องทําลายมันออันนี้คือความไม่พอใจที่นเกิดขึ้นสังเกตไหมบางทีแต่พวกนี้นมันเป็นเรื่องอัน ท, ที่เป็นเรื่องวัตถุบ้างเป็นเรื่องบุคคลบ้างหรือถึงเรื่องที่เกิดในใจเราเฉพาะเลยบางทีก็มันเป็นอดีตไปแล้วหรือบางทีมันก็ยังไม่แค่ถึงที่เกิดขึ้นเลยนะ แต่เราก็คิดร่วมหน้าไปแล้วถ้ามันเกิดมันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่จริงๆในจิตของเราเนาะนั้นทางที่จะออกจากวัฏสงสารตรเ น, นี้ยมันก็จะเป็นทางที่ฝืนความเคยชินเกา่เกาๆในการที่เราแค่รู้แล้วไม่ปรงแต่งกันมันต่อทำยังไงแค่รู้เฉยๆนี่แหละนะไม่ใช่ว่า มันจะต้องไม่มีอารมณ์ไม่ benefits. ใช่ว่ามันจะต้องไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรแต่เสียงแต่ว่าเห็นแล้วสัตว์แต่ว่าเห็นได้ไหมได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินได้ไหมอ่ารู้ส <ốc os> ึกสัตว์แต่ว่ารู้สึกได้ไหมหรือว่าไม่แต่ความนึกคิดสัตว์แต่ว่ามันนึกคิดไม่ใช่ว่าเรานึ่คิดได้ไหมนะเราคอยสังเกตเลยเนยการฝึกสติมันจะทําให้เราเห็นอ่าเห็นอะไร เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละนะเห็นแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดความเข้าใจนะเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่ามันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ชั่วข่าวเท่านั้นนะเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ชั่วคราวเหมือนร่างกายเองเนาะเราคิดว่ามันเป็นของยั่งยืนจริงๆรินะแต่จริงก็เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวสมัยนี้อาจจะไม่ถึงร้อยปีแล้วนะคนที่อายุเกินร้อปีหายากมากนลย ช่วงขาวตอนนั no is, โโ Bailey, Normally, ้นนะโลกเราไม่รู้เกิดมากี่นานนานปีแล้วะช่เป็นแค่ร้อยปีเนี่ยช่วคราวมากนะหรือทีาเหมืนชั่วคราวมากยิ่งกว่าก็คืออะไรความคิดนีความคิดอารมณ์เหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละสังเกตไหมมันช่วคขาวตอนนั้นนะเวลาเราชอบอะไรสักอย่างมันก็แปดเดียวนะ วเวลาดีใจมันก็สั้นๆเวลาเสียใจอาจจะยาวหน่อยเพราะอะไรมันครอบปุงนะเวลาเวลาเสียใจไม่พอใจมันจะครอบปุงเยอะหน่อยแต่พอดีใจมันก็ประเดี๋ยวประดาวนะแต่จริงไม่แต่ดีใจก็ดีหรือว่าเสียใจก็ดีนะจะสุขกทุกข์ก็ดีนะมันก็เกิดขึ้นไม่ที่จริงนะไม่ทันข้างมันข้างคือแับมันก็เปลี่ยนนะ เพราะที่จริงถ้าจิตละเอียดเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเกิดแบบต่อเนื่องกันนะมันเกิดแล้วก็เกิดซ้อนไปเรื่อยเกิดซ้อนไปเรื่อยคล้ายๆเหมือนกับมาเห็นข้อี้ข้างหลัง น, นะมันซ้อนกันข้อี้แต่และตัวนะมันไม่ใช่ตัวใหญ่สูงขนาดนั้นแต่หนึ่งซ้อนกันอ่ซ้อนเป็นห้าชั้นห้าหกชั้นนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิต ใ, ใ, ใ, ใจก็เหมือนกัน มันเป็นทีละขณะทีละขณะที่มันท้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็ได้เกิดเหมือนคล้ายๆเหมือนว่ามันสุกมากขึ้นหรือว่าทุกมากขึ้นว่าทีมันซ้อนกันคล้ายๆเหมือนกับเช่นในจิตเนี่ยมันเริ่มด้วยความไม่พอใจเริ่มด้วยความหงุดหงิดก็เกิดความไม่ชอบเกิดความชังเกิดความโกรธเกิดความเกลียดนะเกิดความโมโหขึ้นเนี่ยมันซ้อนๆกันนะ ภาษาไทยที่ที่แยกย่อยอารมณ์นะภาษาภาษ า, าบ า, า, ษ า, ษ า, นะ า, าลีพูดรวมว่าโทสะโทสะแต่ภาษาไทยมีเรื่องตั้งแต่เนี่ยอดหิบไม่พอใจรำคาญโกรธโมโหต่างๆนะอาฆาตปฏิบัติแต่มันก็คือโทสะเท้งาษาษานั้นเลยนะมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นในใจพอเราไม่รู้ทันมันก็เลยเกิดมากขึ้นปรแต่งมากขึ้น ให้ใย้เหมกับเราไม่สบายนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่สบายตั้งแต่เริ่มแรกนะเราพักผ่อนหรือเรากินยาหรือเรารักษาต่างต่างนะอาการไม่สบายกายถึงก็หายได้เร็วใช่ไหมอืมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่รักษาปล่อยให้มันลามปล่อยให้มันเนื้อรังหรือว่าปล่อยให้มันถึงขั้นสุดท้ายแล้ะมันก็ยากที่จะรักษาเนีจิตใจของเราก็เหมือนกันะจิตใจถ้าเราปล่อยให้มัน คุ้นชินนะกับความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความยึดติดความถือมั่นต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่จะแก้ไขแต่มันก็เป็นโชคดีของเรานะโชคดีอะไรโชคดีที่เราได้เกิดทันสมัยที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกทางที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์นะเหมือนอย่างที่ว่านะ ทางลบมากเนี่ยมีหลายคนอยากจะหาทางออกจากความทุงแต่ก็ไม่มีใครสักคนนะหาทางเส้นนั้นพบพราะพระเจ้าท่านคนพบทางท่านเดินนําหน้าท่านถามทางให้กับเราเราทีแค่เดินตามทางที่ถูกนะคล้ายๆเหมือนถ้าใครเดินปไปเดินป่าบางทีทางทางทางเดินในป่าเนาะทางที่มันรกมันมีเยอะแต่ทางเดินที่จะออกจากป่าเนี่ย มันจะจะเป็นเส้นนเล็กๆเราต้องแกะแกะรอยให้มันถูกจะเป็นหลงทางลงแล้วอาจจะวนในปา่าใจวันไหนคืเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนกันเหมือนกับพวกเรานะอยู่กลางป่าป่าคืออะไรป่าคือความทุกข์ป่าคือความทุกข์เราอยู่กลางป่าเราอยู่ข้างกลางความทุกข์แต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านเดินออกจากความทุกข์ได้ด้วยการอะไร ด้วยการจเจริญศิงนะ ส, สมาธิปัญญานะทั้งหมดเลยน ะ, จะเจริญสิงสมาธิจเจริญปัญญาจะเกิดความบุญผลนะมันต้องมีทั้งหมดนะนะบางทีเวลาเราปฏิบัติธรรมบางคนนะเคยเรื่องศิงก็มีนะนะเราภาวนาอย่างเดียวนะเราลืมเรื่องสสนักษายสิะ มันก็ทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านสังเกตเลยคนที่ทำผิดศีลไม่บ่อยจิตจะฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็กิเลสมันจะครอบงำได้ได้เยอะขึ้นน ะ, ะเช่นเราโกหกคนอื่นมันก็ทำให้จิตใจเราไม่สบายเพราะว่าเราก็กลัวว่าคนจะจับผิดคนจะรู้ทันใช่ไหมหรือเอาง่ายๆ บันทีสินที่คนไทยหรือว่าคนตัวนใหญ่ดื่มนะอยาเช่นวาจามันมีไม่ใช่แต่พูดปดพูดคำยาพูดแต่จริงพูดเพิรเจอร์สังเกตไหมเวลาเราพูดเพิรเจอร์เยอะๆนะจิตจะฟื้นสร้างมากนะพูดเพเจอรเรื่องดาราเรื่องอะไรตา่างๆเรื่องแยกน่ะเรื่องคนอื่นนินทาว่าร้ายสนุสนานกันจิตใจมันจะเป็นอะไรพอเรา อินทาไทยเราก็พลอยพลอยมันนะมันในอารมณ์พลอยโอกรธพลอยเกลียดไปกับเขาด้วยพอจิตใจมันทําแบบนั้นนะ่ะพอมาปฏิบัติธรรมอ่ะมันก็ยังติดอารมณ์พวกนั้นอยู่หรือบางทีเราปฏิบัติธรรมดีๆนะาะพอออกไปจากที่ปฏิบัติธรรมก็ไปพูดคุยเฟเจอร์เหมือนนั้นล้นหลุดหมดเลยนะเหมือ น, นคล้ายอุตสาห์นะอุตสาห์เก็บเกี่ยวสติด้วยความยากลาบากแต่พอออกไปก็ ปฏิปิวหาใจนะตามความพูดนะตามความคิดเหมือนคนส่วนใหญ่นะบางทีเราเราเห็นนะบางทีคนทํามาหายกินกรรมกรบางคนแบบอู้เราก็เห็นเขาทํางานหนักทํางาน người, เนหนื่อยได้เงินวันละสองสามร้อยนะแต่เอาไปกินเหล้าหมดเลยนะอ่กินเหล้าจนหมดเป็นห น, นี้เป็นสินเรามองเขาเป็นคนไม่ฉลาดนะ แต่จริ ง, ถ, ง, งนะถ้าเรามาดูตัวเองนะเราอุตส่าห์มาปฏิบัติทำนะตั้งหลายวันนะเอนะหลายชั่วโมงแต่พอออกไปแนละ้วนะเราเคอนเจอเป็นหมดเลยมันขากไปทิ้งเลยนะนีต่ต้องต้องระวังสิ่งก็มีหลายข้อแต่ถ้าสิ่งสําหรับนะักปฏิบัติจริงๆคือคือความสํารวมนะอินทรีย์เมื่อเราสํารวมอินทรีย์ได้เนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งผ้าก็รี สิแปดก็ดีสิบก็ดีสิบสองร้อยี่บเจ็ดก็ดีนะมันรวมอยู่ในความสำรวมเรียกว่าอินทรียสัมวรณ์ศีลก็คือเรามีสติรู้ทันรู้ทันตาตาเมื่อเห็นรูปแล้วเราสำรวมนะเมื่อหูได้ยินเสียงเราสำรวมสำรวไม ไ, นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้ยินนะแต่เห็นแล้วมีสติคอยรู้ทัน เมื่อเห็นได้มันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจอย่างไรในจิตในใจเราคอยรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วไม่ปลุงต่อนั่นแหละชื่อว่าสำรวจนะเมื่อใจเมื่อเหมือนกันใจมีคิดเนะี่ยเราห้ามไม่ได้นะเราไม่มาภาวนาเพื่อห้ามความคิดเพื่อให้มันไม่คิดแต่เราภาวนาเพื่อรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วไม่ปรุงต่ออันเนี้ยชื่อว่าสำรวจนะ มันจะคิดดีซะช่างคิดไม่ดีซะช่างห้ามไม่ได้นะนะมันจะคิดมีเหตุมีผลหรือคิดไร้สาระก็ห้ามไม่ได้แต่พอเรารู้ทันนะไม่ปุ่งต่อนะไม่ว่ามันจะเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบในความคิดก็แค่รู้ว่ามันชอบรู้ไม่ชอบอันนี้ยเรียกว่าสํารวมจนะอันเนี้ยเรียกว่าเชื่อว่าเรามีสินสินภาคปฏิบัตินะอิ ส, ะสัยสํวรณงสนะินเนี่ มันเริ่มได้ไหนเริ่มด้วยการที่นี่ว่ามันต้องรู้ทันนะมันจะรู้ทันได้ไ่ยก็คือเราต้องมีความรู้สึกตัวแล้วต้องมีสตินี่แหละมาถึงจะทันนะไม่ใช่ว่าสิลที่เราแค่ไปขอพระนะเร า, เาว่าตามพระนั้นจะไม่ใด้สินี่จริงนะแต่สิ่งที่จริงคึ้นนี่แหละเรารู้ทันนะรู้ทันจิงที่เกิดขึ้นในกายในใจแหละเรียกว่าอินทรียสัมบรณ์สิ่ เมื่อเรามีสินเราซื้อทำเรา ส, ราสรมดุลแลนะจิตมันจะมีสมาธิสมาธิไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งหลับตาต้องไปอยู่ปา่านะสมาธิคือใจมันมั่นคงใจมันตั้งมั่นใจ ม, นมีความไม่หวั่นไหวใจมันมีความสงบเนะีอันนี้ยคือสมาธิมันมีความมั่นคงนะเช่นคนนินทานะเราไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจ เราไม่ไดเป็นเนี่ยที่เขามีคาใช่ไห่ถ้าคนดคนไม่มีสมาธิคือ้อเฮ้ยทำไมเขาว่าเราแบบนั้นเราก็หวัน่นไหวก็ได้นะยิ่งถ้าเราผิดศีลเนะี่ยมันยิง่งเขาว่าแล้วมันเขาจับเราถูกแล้วเขาทําแล้วล ะ, ละยิงย่งยิ่งยิ่งเรียว่าหวั่นไหวไปเรื่อยแต่บางคนก็เป็นคนดีนะไม่ได้ทําแต่คนคนอื่นอ่าเข้าใจเราผิดแล้วก็หวั่นไหวเหมือนกันเนี่ยว่าเราไม่มั่นคงนะ แต่คนที่มีสติมันจะมีสมาธิเพราะอะไรเรากลับมาตรวจสอบตัวเราเองว่าเออเราไม่ได้ทำแบบนั้นใครจะดินทาใครจะเข้าใจผิดเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปพูดไม่ได้เรื่องที่เราต้องไปเลือดร้อนนะแต่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของโลกนะเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของทุกคนก็เจอนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีแล้ว เราเป็นคนปฏิบัติทําแล้วเราจะไม่เจอคนดินทาไม่เจอคนว่าร้ายไม่เจอคนทําร้ายเจอแต่เหมือนกันนะไม่ว่าเราลองมองเลยดีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเจอหนักกว่าเรานะเจอคนดินทาเจอคนทําร้ายเจอคนตามด่านะเจอเหมือนกันนะแต่บางคนบางทีเรายึดมั่นถือมั่นเราดีนะทําไมเราทําดีแล้วไม่เห็นได้ดี ทำดีแล้วมีประสบกับข้อกรรมที่จริงนะทำดีก็คือเพื่อเพื่อทำดีนะไม่ใช่ทำดีเพื่อให้คนว่าเราดี <c oughs> ทำดีก็พอนะทำดีก็จบนะแต่พอมันมีสิ่งอะไรกระทบเข้ามาเราคอยรู้ทันเมืนะ่อเรารู้ทันแนละ้วมันจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวก็าอะไรเรากลับมาดูตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าก็าวางลนะอะ หรือเป็นเดิที่เขาว่าเนอะก็แก้ไขก็ไม่ต้องว่าเปไปรู้สึกผิดกับตัวเองนะบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าเก็บสมบูรณ์แบบทําผิดบ้างเมื่อเขาว่าถูกเราก็ขอบคุณนะเมื่อเขาว่าผิดเราก็ไม่โกรธเขาอันนี้สือเราไม่หวั่นไหวเราจะแก้ไ ข, ขตัวเองให้ให้ดีขึ้นยเมือ่อจิตมันมีสมาธิมันไม่หวั่นไหวนะอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหว แต่บางทีสมาธิตัวนี้มันก็ต้องอาศสยกาลังสติที่ที่มันสะสมนะบางทีมันก็ไหวไปบ้างนะสมาธิยังไม่พร้อมก็ไหวไปบ้างแต่มันต้องคล้ายๆเชื้อไม้ชอบเรียบเที่ยวเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มันปลูกใหม่ๆนะมันก็ยังต้นเล็กรากก็ยังไม่มั่นคงลําต้นก็ยัง อ, อ่อนไหวนะมีลมพัดมีคนมากระชากมีคนมาดึงก็อาจจะดุบ หรือว่าจจะโยกคลอนไปได้เี้ยแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมันค่อยค่อยโตนะรากก็ค่อยค่อยลึกลำต้นก็ก็ค่อยมั่นค ง, งกิ่งก้านใบก็หนาลมพัดมาก็า ก, าก็ไม่โค่งก็ไหวก็ไหวแต่ใบนะแต่ลาต้นไม่ไหวรากเป็นโค้งนี่นแหละเราก็เหมือนกันบางทีเราฝึกสติ แ, แรกๆมันก็ไหวนะเหตุแล้วก็เป็นชอบเห็นแล้วก็ชัง หรืคิดแล้วก็ชอบคิดแล้วก็ชังมันเรียกว่ไหวนั่นนะนะนะไหวเป็นจากอะไรไหวเป็นจากความปกตินะคําว่าไหวในที่นี้คือไหวเป็นจากความเป็นปกติเพราะจริงๆแล้วจิตเดิมแท้ก็คือจิตที่ปกติจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์นะจิตที่ไม่เจือไปด้วยกิเลสปัญหานะนี่คือไหวอย่านตรงนี้นะ เรยว่าไหวไปนี่ยค้อไหวไปอยางกนั้นแต่พอเรารู้ทันนะมันจะกลับมาสติเนี่ยมันมีคุณพิเศษคุณพิเศษที่สำคัญก็คือว่าเมื่อรู้ทันแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติมันจะสรดอารมณ์ทิ้งมันคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับเอาง่ายนะเหมือนกับมาน่ะมันเปียกน้ำนะมันมันสรดน้ำทิ้งออกไปจากขนนะขนกับน้ำเนี่ยมันไม่สามารถ รวมผสมกันได้เลยนะมันสลัดทิ้งนะมันรู้ตัวมันเปียกมันสลัดทิ้งเหมือนกับใบบัวพอมันเปียกมันมีน้ําเกือตรงมาน่มันก็ค่อยๆคล้อยตกลงไปน้ํากับใบบัวไม่ติดกันฉันใดนะจิตกับกิเลสเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะสลัดสลัดซื่อขึ้นมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยความรักความจงมันสลัรเป็นหมดเลยนะสตารททิศเดิห <Yeah. S 1> น้าที่ฝนสถิตเป็นแบบนั้นแต่ชีวิตจริงมันคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับช่วงฝนตกนะใบบัวใช่อยู่มันมีธรรมชาติไม่ไม่ติดน้ําแต่ฝนมันตกลงมาเรื่อยๆนะน้ําฝนมันเข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนเหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมเนะความคิดเข้ามาเรื่อยๆนะมันตกลงมาเรื่อยๆเลย แต่ เ, าเ้าก็มั่นคงว่าเออก็ค่อยๆทิ้งลงไปทีละอารมณ์นะทิ้งด้วยแบบไหนมันเลยมีกรรมฐานกรรมฐานในช่วยทําให้ทิ้งอารมณ์ได้ง่ายคล้ายๆเหมือนกับมือเราน้าอเรามีเล็บตรงมาเนะี่ยมันก็จะติดอยู่นะกรรมาฐานลคล้ายๆคอยทิ้งไปบ่อยอะไรประมาณก็ทิ้งไปบ่อยนะทิกงทิ้งไปบ่อยนะทิ้งไปบ่อยเหมือนกับาทางขายาทนะ ถ้ามีแต่คนใส่เรื่อยๆแล้วเราไม่คอยเอาไปทิ้งกนะ็ดีเนะ่ยมันก็เน่ามันก็เหม็นนะมันก็เต็มจิตของเราทุกเหมือนกันมันมีอารมณ์มาเยอะๆเราก็เก็บเกนะ็บเก็บเรื่องนั้นเก็บเรื่องนี้เก็บเยอะๆก็เครียดนะกลายเป็นความเครียดสะสมนอนไม่หลับนะจิตใจอปวดง่ายอย่างนะี้แต่ถ้าเรามีสติไปบวันเะนี่ยมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเรารู้ทันเหมือนทิ้งทีละครังงร้งทิทงท้งทีละั้งทิ้งทีละครั้ง ทิงโดยอะไรเพียงแค่รู้ทันนะกลับมารู้ตัวนี่แหละนะนะตัวที่จะทําให้เราทิ้งอารมณ์ได้ไง่ายคือกรรมาฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งโยนนะไม่ว่าจะเป็นการดูกายนะในรูปแบบไหนก็ได้หรือบางคนดูเวทนานะความสุขความทุกข์ความเฉยในจิตใจหรือบางคนดูจิตนะจิตตาริปสนา หรือบางคนดูธรรมารลมอย่างเช่นพขาพุทธเจ้าเนี่ท่านดูธรรมารลมเกิดขึ้นในจิตใจจะดูอะไรก็ได้ในสติปัญฐานในโรนนี้แหละพอดูแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติได้นะเหมือนสมัยมันหลงไปคิดละเรารู้ทันกลับมาหลงไปคิดละเรารู้ทันกลับมานี่ยกลับมาบ่อยๆนะสติมันมีฝนตกมาเยอะๆเมื่อไหร่เราก็ทิ้งไปเรื่อยๆ เพราะบางทีความคิดเนี่ยเราไม่ได้ห้ามเมื่อเราไม่ห้ามเราก็เลยปล่อยปล่อยคิดแต่เราไม่ไปไม่ไปไม่ไปตามความคิดนะเราไม่ห้ามแล้วเราเราก็ไม่ตามทางสายการเชื่อการแค่ดูคล้ายๆบางทีมาก็เปรียบเทียบ เ, เหมือนเราอยู่บนถนนนะมีรถผ่านมาผ่านไปแทนซ้ายแทนฝาหน้าที่เราอยู่บนถนน หน้าที่เราไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นจราจรคอยโบกรถคอยจัดการรถให้ให้หยุดให้ไปนั่นไปนี่หรือบางทีถ้าเราไม่ทุกทันเหมือนคล้ายๆเราแหละคอยที่ไปขวางรถเขาก็าโดนชนหรือว่ารถคันไหนเราชอบเราก็จะเกขึ้นเปกับเขาเข้าใจไหมเหมือนกับความคิดอ่ะเมื่อความคิดมันผ่านมาเหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์คันนี้เราชอบ แล้วก็ขอขึ้นไปกับเขาก็เจอคนนี้ผ่านมาเราไม่ชอบเราก็จะคอยไปเบรคไปห้ามเขานีอันนี้แหละคือเราไม่รู้ทันเราก็เลยหลงไปแต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราแค่ดูมันดูมันอยู่บนดินสุต ป, ปา่าดดูในที่ที่ปลอดภัยนะ่ะเพราะมันผ่านมาผ่านไปมันไม่ใช่เรานะัน้นความคิดมันจะเกิดขึ้นมาอารมณ์จะเกิดขึ้นมาจะดีหรือไม่ดีสั้น เราแค่รู้จิตใจรู้ว่าเรอยู่ไหนเราตัดแต่กรรมาหาฐานกรามฐานของเราสัอย่างเนี่ยกรับมาหาที่ตั้งของเราเช่นสองสามวันนี้หลายคนก็อาจจะเคยปฏิบัติแล้วเนาะคือเราจะศึกเรื่องการเจิสตินะหลวงพ่อเทียนท่านสอนในเรื่องการเจิสติกับการเคลื่อนไหวมันเป็นฐานที่เราสามารถ ทำได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะคืออาศัยร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นฐานที่จิตเกิดความรู้ตัวนะที่จริงการเคลื่อนไหวเป็นการปลุกปลุกการรู้ตัวนะบางทีเราเคลื่อนไหวฟรีๆมานานนะเคลื่อนไหวแล้วเราไม่รู้ตัวนะแต่การปลุกสติคือการเคลื่อนไหวแล้วก็คอยคอยรู้ว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ ร่างกายทําอะไรก็ที่เคลมแค่รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้เรานั่งเรารู้ไหมว่ากำลังนั่งดูเนาะหายใจเข้ารู้ไหมหายใจออกรู้ไหมไม่ค่อยรู้เนาะหายใจเราหายใจที่จริงเราหายใจแต่เตือนนะแต่ท่านศึกษาเนี้ก็ไม่อยู่ใหายใจเช่นทีเลยนะนะแต่เราก็ไม่ตามรู้ตลอดนะ คือบางทีลมหายใจมันละเอียดมันก็ไม่มันก็ถ้าเราไม่สร้างใจดูจริงๆหรือไม่ฝึกจนสร้า ง, งมันเป็นนิสัยบางคนเคยฝึกอนาไฟนัสติเซนชินมันก็ตามดูลมได้ตลอดก็อาจจะมีนะแต่ส่วนน้อยนะแต่หมวงพระเทียนท่านเคยว่าเอาการเคลื่อนไหวหยาบๆนะเช่นยืนเดินนั่งนอนคุ้เหยียดนะ เหนียวซ้ายแาลขว า, ากินดื่มขับถ่ายอาบน้ำปัสสาวะปัสุจรัสนะคื อ, าาอาการเคลื่อนไหวอยา่างๆเราคอยตามรู้นะรู้อะไรรู้กายรู้กายว่ากำลังทำอะไรมันจะมีรู้แบบนี้คือว่าตายเดี๋เป็นสิ่งที่กำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ให้มีจิตที่มีสติคอยดูเหมือนเรารู้โทรทัศน์นะ เราดูฮัตดูฮัตมันจ ะ, สะแสดงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้ดูเนะี่ยเราก็เแค่ดูดิเฉร่างกายก็เหมือนกันนะร่างกายมันจ ะ, สะแสดงท่าไหนมันสแสดงความเจ็บปวดเพื่อนะเราก็แค่ดูมันแต่ดูแล้วถ้ามันเจ็บปวดเพื่อนมากๆเราต้เปลี่ยนได้นะนะเพราะว่าเวทนาทางกายเนะี่ยบางทีดูเฉยมันก็ไม่ได้หาย ว่าทุกทางกายมันต้องบรนเทาเนาะเราเหิวก็ต้องกินเราปวดปวดเบาก็ต้องไปไปถ่ายไป บ, าบาาําบัดมันทุกทางกายเนเราก็รู้ทันเรารู้เราดูิเฉยๆเนะี่ยมันจะบรรเทาพุ่งนะมันไม่ถึงกับต้องเป็นพะุ่งมากนะสังเก้วบางคนพอเราปวดเข้างมากๆเนี่ยจิตเราจะเป็นะนะปเคร่งที่ตรงที่ปวดมากมันนี่ทพุ่งนะใช่ไหม แต่ถ้าเราแค่ดูมันทางเนี่ยมันก็ยังทุกอยู่แต่มันเห็นว่าเป็นทุกของกายไม่ใช่ทุกของเราอ่มันเป็นทุกของเขาไม่ใช่เนีไม่ใช่ทุกของเราตั้งหน่อยนะมันจะเห็นว่าเป็นทุกเพียงแค่เป็นส่วนของร่างกายส่วนของกายวิวันาเริ่ดเริ่ดเลน้อยของมันไปแต่ก็แก้ประัมินมันอันนี้คือการเห็นทุกนะเห็นทุกของร่างกายอยีกส่วนหนึ่ง ถาสิ่ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจอืมจิตใจมันก็อุ่มแต่งมันนะมันอุ่มแต่งเพอะไรมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันเป็นทุกข์นะมันอยู่เฉยๆเนี่มันก็เลยหาเรื่องคิดนะมันเป็นตามตัณหาอ่าความหลงของมันหน้าที่เราก็เพียงแค่รู้ทันอ่เมื่อเรารู้ทันแล้วมันเหมือนคล้ายไม่ต้องไปทาอะไรนะทุกทางใจเนี่ยถ้ารู้แบบมีสิทิจริงๆอ่ะ ทุกอย่างนะทุกทุกอย่างดับไปกิเลสทุกอย่างดับไปนะอันนี้คือถ้าสติมันพอนะแต่ถ้าแรกแรกสติกำลังของเรายังไม่พอทุกบางอย่างได้เล็กน้อยเออมีสตริรู้ทันก็ดับไปแต่ทุกที่มันหนักเออรู้ทันแล้วไม่ดับเพราะว่ากำลสติมันไม่พออั น, น, นก็คล้ายๆเหมือนกับเราเป็นตอนแ็กๆเราเป็นเด็กเนาะ โต๊ะโก๊ะ อ, อีใ้ใหญ่ๆเราก็ยกไม่ไหวแต่พอเรามีกําลังมากขึ้นเราฝึกมากขึ้ น, นะโต๊ะใหญ่ๆเราก็ยกได้อันนี้คือกําลังสติมันก็คือเราก็ต้องมีกําลังจากปริมาณที่เราฝึกนี่แหละนะเมื่อปริมาณที่เราฝึกมันมีกําลังมากขึ้นนะแต่วัตถุทางโลกที่มันหนักเนยกับวัตถุทางธรรมที่มันหนักมันต่างกันนะมันเป็นความเหนียวเยนะ ไอ้ที่มันละเอียดเยอะเนี่ยยิ่งเหนียวนะไอ้ที่มันหยาบๆเนี่ยรักง่ายๆมากนะเช่นความโกรธเนี่ยบางทีรักง่ากกว่าความสุขนะความสุขเนี่ยมันละเอียดมากหรือว่ามันก็ไม่ถึงละเอียดขนาดนั้นหรอนะแต่มันรักยากกว่าความโกรธนะมันดูมันเนียนกว่าหรือความพอใจหรือว่าบางทีไม่แต่ความรู้นะมันก็รักยากนะ มันละยากกว่าไอ้ที่มันเห็นว่าหลงชัดๆนะนะงทีวัตถุธรรมโลกบันทีไอ้ที่มันเห็นเด็กๆเนี่ยมันมันมันละได้ง่ายแต่ในทางธรรมเนี่ยไอ้ที่มันเด่นๆเนี่ยลกยากกว่าที่มันใหญ่ๆนะไอ้ที่มันละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันใสอยๆพัฒนากขบันไปแต่ก็เริ่มจากไันที่เราสติเยอะๆนี่แหละมันจะค่อยรละมันเองนะเนี่ยให้พวกเราเราฝึกดูเป็นผู้ดูนะ กายเคลื่อนไหวใจก็เปลี่ยนแค่คอยรู้นะหรือว่าพอมันนึกคิดเองตาอ่างๆก็จะน่งไปสนใจมันะแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาเหตุหาผลนะหรือบางทีหลงไปหาเหตุหาผลหลงไป้อบหลงไปชั ง, ชงนะก็กลับไปกลับมาอะไรก็คือกลับมาดูกลับมาดูว่ากำลังทำอะไรอยู่นะกลับมาดูร่างกายพอเรากลับมาดูนะ มันก็เหมือนเราไม่ให้ค่าเหมือนกับเราไม่สนใจมันนะมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นะคล้ายๆหนุวมพ่อก็เกลียบเตี้ยดีนะเหมือนกับถ้าเรามีสติเหมือนเราอยู่ในมุ้งอยู่ในกดนะอยู่มันบินวนอยู่นอกกดเนี่ยเราเห็นมันเราได้ยินเสียงมันเนี่ยแต่เราก็แอบแอบขำมันนะตัดใจนิดๆว่ามันทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมถ้าเรามีสติเหมือนเราอยู่ในกดอยู่ในมุ้งนะ ยุงม right? right? mm ันจะกินนะแม่แมลงมันจะอยู่ข้างนอกพวงเนี่ยมันทําอะไรเราไม่ได้สติก็เป็นเช่นนั้นนะเมื่อเรามีสติเราจะเห็นว่านี่เหมือนมาหอกเราแล้วหลอกให้เราชอบดอกให้เราชังดอกให้เรากรุงแต่งแล้วนะพอเรารู้ทันมันเหมือนเนี่ยมันมีสภาวะหนึ่ยที่เราจิตมันยิ้มนะมันยิ้มอะไรยิ้มเย้ยยิ้ยอกอะไรเนี่ย แต่อันนี้มันก็ยังไม่ใช่ตัวปกติจริงๆละ่ะแต่มันก็เป็นทางผ่านที่เหมือนใช้ใชเราไม่เคยฉี่มันเลยเราไม่เคยรู้ทันมันเลยเราโดนหอกมาเยอะเลยนะมันก็เลยเกิดแบบดีใจนะมันเป็นอา ก, การปิติขึ้นมาบวกกับสตินี่แหละนะมันยังเป็นปิติแต่พอเราฉีนบ่อยๆออก็ฉี่ละให้ปีตินั้นจะค่อยๆเป็นเป็นบุเบขาเป็นปกติ แต่ๆกก็มีบ้างแหละนะอาการอาการปิติอาการสุขอาการพอใจนะแต่พอไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเป็นอุเบกขาเฉยๆนะมันก็จะมีมเออเก็ฑ์แล้วก็วางเกณฑแล้วก็วางนะอันนี้คือสิ่งที่เราปฏิบัติมาเป็นการภาวนาที่เราจะพัฒนาตัวเราเนาะพัฒนาจิตใจให้มันให้มันพ้นออกไปจากความทุกเหมือนเราอยู่กลางป่าเราค่อยๆเดิน เดินเราไปชายป่าจะต้องพ้นจากป่าเพราะจากความทุกข์อันนี้คือทางที่พวกเราต้องพยายามเดินเนาะโดยเฉพาะพวกเราอยู่ในเมืองพวกเราเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานเยอะเนะี่ยิ่งเป็นป่าเยอะเลยนะป่าที่มองไม่เห็นนะนะป่าอะไรป่าความโกรธความโลภความหลงอิจฉาพยาบาทโลกธรรมเนี่ยเป็นป่าเยอะมากนะ ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราดำอยู่ท่ามกลางป่าแห่งความทุกข์เนี่ยเราก็จะอยู่อย่างทุกข์มากนะแล้วกวนไม่รู้กี่พบกกี่ชาตินะแต่ให้เราพยายามตื่สติะนะเราจะค่อยๆออกจากป่านะจากความทุกข์ได้แล้วไม่ต้องว่าเราออกป่าแบบไปเป็นพระสงห์มุนีพานหรือต้องไปอวดเท่านั้นนะแต่จริงสติเนี่ยมันเป็นการออกขีละษณะนะ เราทำตอนนี้เราทาวันนี้ก็รักตอนนี้เลยนะสัง เ, เกตไหมเวลาเรามีสติเรารู้ตัวทันเณี่ยจิตตอนนั้นมันก็ไม่ทุกแล้วจิตตอนนั้นมันก็เป็นปกติแล้วเป็นทารเอ่อเป็นปัจจุบันนั้นทำนะเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันเลยนะไม่ต้องรอเราเป็นพระอรหันตนะไม่ต้องรอเราตายเราจะทำนิพพานให้แจ้ง ทีละขนาะนี่แหละสำคัญมากมันเป็นการภาวนาที่โอ้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบทางตรงนี้ที่งมันมหาจรรย์จริงๆนะโอ้เราสามารถออกจากความทุกข์ได้ทุกขนาดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวเนี่ยออกจากความทุกข์จริงๆเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวมันเป็นปกติจริงๆนะเราสามารถทําได้จริงๆนะแต่ต้องขยันต้องขยันนะขยันทํำนะ พอขยันทาเยอะๆมันก็กลายเป็นความเคยชินะแต่ก่อนมันเหมือนต้องต้องฝึกต้องซ้อมแต่พอซ้อมไม่บ่อยมันก็เหมือนมันง่ายนะเหมือนนักกีฬามันก็ต้องซ้อมท่า น, นั้นท่า น, นี้พอซ้อมบ่อยๆมนก็ชานาญในการเลี้ยงในการรับในการหลบอะไรตา่างๆพวกเราก็เหมือนกันแหละนะเราก็ซ้อมบ่อยๆซ้อมสตกิกับตายที่เคลื่อนไหว ซ้มสิในการรู้เข้าทันอารมณ์กลับมาดูความคิดนึกในจิตในใจบ่อยๆเป็นการซ้อมเมื่อซ้อมบ่อยๆมันจะเกิดติดที่ว่าเป็นสติเป็นอัตโนมัสนะมันรู้ของมันเองไม่ว่าจะทํามันก็รู้ของมันเองไม่ว่ามันจะคิดมันก็รู้ทันของมันเองนะมันจะเป็นอัตโนมัตนะแต่แม้แต่อัตโนมัแล้วก็ยังต้องต้องทําในรูปแบบบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทั้งวันไม่ทําเลยไอ้ที่เป็นอัตโนมัติต่อไปก็มันจะ มันก็็กค่อยหมดกำลังไปนะแต่เราก็ต้องเน้นะฝึกในรูปแบบบ้างแล้วก็พอออกนอกรูปแบบก็ต้องตามดูตามดูนะดูร่างกายที่เกิดขึ้นบ้างดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจบ้างนะฝึกเปนนะ่ไปเรื่อยเดียกว่าเป็นการภาวนาเนาะนะมาก็เขาพูดให้ฟังนะหลายท่านก็ทําอยู่แล้วทําเป็นแล้วนะหลายท่านก็ได้ ยังไม่เคยทํานะก็จะได้ฝึกกันนะมีใครยังไม่เคยฝึกไหมแต่ถ้าใครยังไม่เคยฝึกนะก็หน้นเจิญหน้าหน้าครับเดี๋ยวยิมบอลเช่นะไปจันทร์ตุ้มสอนนะวิธีฝึกเจริญสตินะอะ่แบบแนวทางหลบข้อเทียนะนนะะน้าหน้านะส่วนใครเคยฝึกแล้วก็คำเชิ น, นี้ก็ต้องเชิมงหนึ่งนะ จ็นั่งในห้องนี้ก็ได้หรือว่าเดิมข้างนอกก็ได้นะแต่สักสองทุ่งจะกลับมาอาบพาักแล้วก็ไปพักผ่อนกัน